วันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2538นับเป็นการบรรยายธรรมครั้งที่12ของการบรรยายธรรมเรื่องปริญญาปัญญาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพค่ะพระคุณเจ้าที่เคารพท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายการบรรยายในครั้งนี้ผมได้ประมวลเรื่องราวที่เกี่ยวกับปริญญา ปัญญาจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคําของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในที่หลายๆแห่งมาให้ได้ศึกษาเพื่อเป็นข้อความยืนยันในทางหลักการด้วยแล้วก็ถือว่าบทเหล่านี้เป็นบทกล่าวในทางเหมือนว่าจะสรุปคาบรรยายทั้งหมดที่ได้บรรยายมาตั้งแต่ต้นและพร้อมกันนั้น ก็ถือว่าคำบรรยายในครั้งนี้เป็นการบรรยายเหมือนเป็นเบื้องต้นของการที่จะได้อธิบายปาหะปาหานาปริญญาคือปัญญาว่าใยการปราหานที่จะได้กล่าวสืบเนื่องต่อไปในอนาคตหลังจากที่บรรยายครั้งนี้จบลงไปแล้วเอกสารวันนี้มีสองชุด ในชุดแรกนั่นคือชุดที่สิบสองขอให้ดูเอกสารชุดที่สิบสองเอกสารชุดสิบสองนั้นประกอบด้วยพระสูตรทั้งหมดสามสี่สูตรนะฮะสี่สูตรในในประเด็นแรกมีอยู่สองประเด็นประเด็นหลังประกอบด้วยพระสูตรอีกสามสูตร ก็รวมแล้วเอกสารชุดสิบสองนั้นมีพระสูตรที่เกี่ยวกับปริญญาปัญญาอยู่เจ็ดสูตรด้วยกันประเด็นแรกของเอกสารชุดสิบสองที่ได้ขึ้นหัวประเด็นว่าสูตรแสดงปริญญาโดยวัตถุปัญญาบุคคลที่ได้ขึ้นหัวข้ออย่างนี้ว่าวัตถุหมายถึงญาณวัตถุยาณวัตถุก็คือ สิ่งที่ญาณเข้าไปรู้สิ่งที่ปัญญาเข้าไปรู้เรียกว่าญาณวัตถุแปลตามศัพท์ว่าที่ตั้งของปัญญาปัญญามีที่ตั้งคือสิ่งที่ปัญญารู้นั่นเองสิ่งใดปัญญารู้สิ่งนั้นชื่อว่าเป็นที่ตั้งของปัญญาและที่ตั้งของปัญญาท่านเรียกว่าญาณวัตถุนี่เป็นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวปัญญาที่เข้าไปรู้รู้อะไรก็รู้วัตถุนั่นเองและปัญญานั้นเป็นของใครคำว่าของหมายถึงของโดยสมมุติหรือปัญญาเกิดในใครเราก็ตอบได้ว่าเกิดในบุคคลบุคคลก็คือกลุ่มขันหรือถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือพระโยคาวจรหรือพระโยคีที่ได้ ปฏิบัติธรรมคืออบรมปัญญาให้เกิดในวัตถุแห่งปัญญานั้นๆจนถึงจุดต่างๆมีการเป็นพระอรหันต์เป็นที่สุดในสูตรแรกท่านเรียกว่าปรินเยยสูตรอันนี้เป็นชื่อสูตรเท่านั้นนะฮะแต่เนื้อหานั้นแสดงธรรม ท, ที่นอกเหนือไปจากปรินยยธรรมด้วยปรินเยยยสูตรแปลว่าเรื่อง สิ่งหรือทำควรกำหนดรู้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราจากแสดงทำควรกาหนดการกำหนดรู้และบุคคลผู้กำหนดรู้ขอเธอทั้งหลายตั้งใจฟังเราก็จะเห็นว่าทาควรกำหนดรู้ คำว่าควรกำหนดรู้คือได้แก่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาของบุคคลผู้เป็นพระโยคาวาจรท่านเรียกว่าปริญเยยยะดังที่เราได้กล่าวถึงกันมาตั้งแต่ชั้นตน้ตนๆแล้วปรินเยยยะคือธรรมที่ควรกําหนดรู้พระผู้มีภาคจะทรงอธิบายต่อไปเองว่าอะไรเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ปัญญาที่เข้าไปกําหนดรู้คือการกําหนดรู้ ได้แก่ตัวความรู้หรือตัวปัญญาเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในที่นี้นะมีความหมายเป็นอื่นผมจะได้อธิบายต่อไปนะแล้วก็บุคคลผู้กําหนดรู้ท่านเรียกว่าปริญญาตาวีปริญญาตาวีคือผู้กําหนดรู้ด้วยปัญญาของตนในปริญเยยยธรรมนั้นตรัสขยายความว่านี่จะขยายความถึงปริญเ ย, ยธรรม ตรัสว่าดูกนภิกษุทั้งหลายก็ทำทั้งหลายที่ควรกําหนดรู้คืออะไรภิกษุทั้งหลายทำที่ควรกําหนดรู้คือรูปคือเวทนาคือสัญญาคือสังขารทำที่ควรกําหนดรู้คือวิญญาณภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้เราตถาคตเรียกว่าปาริณเยยยะธรรมทำที่ควรกําหนดรู้ เราใช้คำว่าควรกำหนดรู้ฟังเหมือนกับว่ายังไม่รู้ <BAR> <noss. S 2> เพียงแต่เป็นสิ่งที่ควรรู้เท่านั้นแต่ยังไม่รู้ในที่นี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นไอ้ที่เราพูดว่าควรกำหนดรู้กันในขั้นปริยัติยังไม่รู้จริงๆครับแม้พูดถึงความรู้ในขั้นปริยัติก็ยังไม่รู้จริงๆในขั้นปฏิบัติและแม้พูดถึงความเป็นอรหันต์รู้อย่างไรเป็นอรหันต์แล้วเป็นอย่างไรก็ยังไม่ได้เป็นอรหันต์จริงๆ แต่ถ้าพูดในขั้นของปฏิบัติแล้วคำว่าทาที่ควรกำหนดรู้ที่พูดกับผู้ปฏิบัติอย่างในสูตรนี้ท่านหมายถึงกำหนดรู้แล้วกำหนดรู้ทาที่ควรกำหนดรู้นั้นแล้วแล้วก็หมายความว่าจะแล้วอยู่หรือแล้วเสร็จแล้วก็เรียกว่ากำหนดรู้แล้วทั้งสิ้นก็หมายความว่าควรกำหนดรู้ในที่นี้ก็คือ ได้กําหนดสภาพธรรมคือนามรูปที่ในทีน่นี้ท่านตรัสเดื่องหน้าของขันห้าว่าเป็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรมควรกําหนดรู้และได้กําหนดรู้อยู่ได้กําหนดรู้อยู่ด้วยวิปัสนาภาวนาจึงชื่อว่ากําหนดรู้ควรกําหนดรู้ในทีน่นี้ก็เป็นได้ความว่าปรินเยยธรรมเนี่ยท่านกล่าวถึง ญาณวัตถุญาณวัตถุคืออารมณ์ของวิปัสสนานั่นเองอะฟังไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมผมจะอธิบายแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งอีกในในเมื่อพูดถึงประเด็นทั้งสามครบแล้วคราวนี้สัตว์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการกําหนดรู้คืออะไรความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะ ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปริญญาธรรมปริญญาธรรมคือธรรมคือความกำหนดรู้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะพูดถึงความกำหนดรู้ด้วยอำนาจว่าเป็นชื่อของปัญญาอย่างที่เราพูดกันมาในชั้นต้นๆนะแต่ว่าในที่นี้นะ ผมพูดซะเลยตามนัยยะของพระสูตรที่ทรงตรัสในที่นี้แล้วก็จะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดูบ น, บนแผ่นใยด้วยคือปนปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยนี้เราตั้งหลักตรงนี้ก่อนครับปฏิบัติวิปัสนาตั้งแต่ได้วิปัสสนาญาณโล ก, กีจนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลเนี่ยปัญญาเกิดโดยไม่มีวัตถุ ไม่ได้กล่าวย้าอีกครั้งหนึ่งว่าปัญญาจะเกิดโดยไม่มีอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือจะมีอารมณ์แล้วไม่มีปัญญาก็ไม่ได้ต้องมีอารมณ์กับปัญญาเกิดคู่กันเสมอเวลาทำจริงๆจะเป็นอย่างนั้นคนที่ ทำวิปัสนาแล้วทิ้งอารมณ์ที่เรียกว่าทิ้งกรรมฐานอาจารย์ก็จะบอกว่าทิ้งกรรมฐานไม่ถูกถ้าทิ้งอารมณ์กรรมฐานแล้วปัญญาในวิปัสสนานั้นมีไม่ได้จะบอกว่ามีปัญญามันก็เป็นปัญญาอื่นไม่ใช่เป็นปั ญ, ญาวิปัสนา เพราะฉะนั้นวิปัสนาเนี่ยต้องมีมีอารมณ์อยู่เฉพาะน้ากรนีเมื่ อ, อวิปัสนาชั้นโลกีนี่ผมจะจะว่าให้ฟังก่อนนะถ้าวิปัสนาชั้นโลกีเนี่ยมีนามรูปเป็นอารมณ์ใช่ไม่ใช่หรือผู้ดียาเ น, นวิปัสนาโลกีนั้นมี สังขารธรรมเป็นอารมณ์หรือสังคตาธรรมเป็นอารมณ์ก็ได้จะเรียกว่านามรูปจะเรียกว่าสังคตาธรรมก็ได้หรือจะเรียกว่าวัตฏะก็ได้วิปัสนาโลกีมีวัฏตะเป็นอารมณ์คือกําหนดวัตฏะโดยความเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตา น, นั่นแหละอ่ะคันนี้ท่านตามต่อไปอนิดนึงว่าเมื่อบุคคลเลื่อนยานวิปัสนาไปถึงขั้นโลกุตตะ คือบรรลุมรรคบรรลุผลถามว่ามรรคยานผลยานต้องเป็นยานไม่เป็นเป็นปัญญาไม่เป็นไม่มีอารมณ์ได้ไหมไม่ได้ต้องมีอารมณ์แต่อารมณ์นั้นเปลี่ยนจากนามรูปมาเป็นอะไรแล้วเป็นนิพพาน ไม่ทิ้งอารมณ์และที่โลกุตละจับนิพานเป็นอารมณ์ได้ก็เพราะอาศัยวิปัสนาญาณกําหนดนามรูปอย่างกแก่นแจ้งแล้วนั่นเองจึงมาจับวิปจับนิพานเป็นอารมณ์ได้มนิพานเนี่ยจะเรียกว่าอาศังคตะหรือจะเรียกว่าวิวัตตะก็ได้ก็เลยได้ความว่าผู้ทําวิปัสนาเนี่ยจะมีอยู่สองสองช่วงช่วงแรกเป็นโลกีย า, ยาน มีวัตตะเป็นอารมณ์มีนามรูปเป็นอารมณ์มีสังกตตาเป็นอารมณ์ทําจนแจ่มแจ้งหมดสิน้นสิ้นเชิงแล้ววิปัสนาญาณก็เลื่อนขั้นไปเป็นโลกุตระคือมรรคผลแล้วก็เลื่อนอารมณ์ด้วยเปลี่ยนอารมณ์ด้วยเปลี่ยนจากวาจากวัตฏะเป็นวิวัฏฏะจากสังคตตาเป็นอสังคตะจากนามรูปเป็นนิพพาน เราเราสรุปได้อันหนึ่งว่าที่จะต้องเหมือนกันต้องมียานคู่กับอารมณ์ใช่ไหมฮะในการปฏิบัติจริงต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นโลกเยียยานหรือโลกุตระลายานก็แล้วแต่ต้องมียานคู่กับอารมณ์ยานเลื่อนขั้นเลื่อนภูมิอารมณ์เลื่อนขั้นเลื่อนภูมิตรงนี้สูตรนี้นะอธิบายหมายความอย่างที่ผมพูดนี้คือ ในปญญาลินเยยธรรมปรญญาลินเยยธรรมเนี่ยท่านมุ่งแสดงญาณด้วยและอารมณ์ด้วยแต่หมายเอาโลกิยะวิปัสนาญาณผู้ได้โลกิยะวิปัสนาญาณกำหนดรู้ธรรมคือนามลูกคือทมที่ควรรู้ควรรู้ในเบื้องต้น และข้อสองที่เรียกว่าปริญญาธรรมสำหรับในสูตรนี้ท่านแสดงยานด้วยแสดงอารมณ์ด้วยแต่อารมณ์ของท่านเนี่ยกลายเป็นนิพพานแปลเป็นไทยแล้วฟังไม่ออกเลยว่านิพพานในสูตรหลังจึงคืนภาษาบาลีเข้ามาให้คำว่าโทอโรลาคขยะแปลว่าความสิ้น ราคะโทสักยะแปลว่าความสิ้นโทสะโมหะขยะแปลว่าความสิ้นโมหะถามว่าเป็นชื่อของอะไรไม่ใช่อาการที่สิ้นกิเลสแต่เป็นชื่อของภาวะธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการสิ้นกิเลสและเป็นที่สิ้นกิเลสไอกิเลสนะอันหนึ่งเวลามันสิ้นสิ้นในจิตแต่สิ่งนี้นะ่ะ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่การสิ้นกิเลสท่านจึงเรียกนิพพานวาราคาคโยโทสักโยโมหคโยใครที่ได้ร่ำเรียนเรื่องนี้มาพอสมควรรู้ว่านี่เป็นชื่อของพระนิพพานนะก็เลยได้ความว่าปริญญาธรรมที่ทรงสแสดงในประเด็นที่สองเนี่ยท่านหมายถึงวิปัสสนาญาณขั้นโลกุตระมีนิพพานเป็นอารมณ์ หมายความเอาอย่างนั้นคงเข้าใจแล้วนะคราวนี้พูดถึงประเด็นที่สามในประเด็นที่สามทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้กำหนดรู้คือตรัสว่าบุคคลผู้กาหนดรู้นั้นควรกล่าวว่าคือพระอราหันต์ซึ่งได้แก่ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคษอย่างนี้ กฎหมายว่าชื่ออะไรก็ตามโคดอะไรก็ตามนั่นไม่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคุณของความเป็นอรหรันต์เป็นชื่อของผู้ที่เรียกผู้ที่เป็นอรหันต์ชื่อนั้นชื่อนี้ต่างๆกันดูก่อนวิสูตรหลายนี้เราเรียกว่าปาริญญาตาวีบุคคลตรงนี้นะ่ะอธิบายอย่างนี้ครับพระผู้มีพระภาคเวลาทรงแสดงพระสูตรเนี่ยบางทีไม่ได้ทรงไล่เลี้ยงหมดตั้งแต่โสดาขึ้นมาจนถึงพระอรหรันต์ สูตรใดที่ทรงแสดงแต่อรหันเนี่ยท่านก็จะแก้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสถึงยอดเลยยอดหมายถึงยอดญาณแต่อนุโลมเอาญาณต่ำด้วยญาณต่ำก็หมายความว่าถ้าลกุตละต่ำก็คืออนาคาตะอากาโสดาถอยลงมาอย่างนี้ จนกระทั่งถึงแม้แต่วิปัสนาญาโลกีก็อนุโลมด้วยได้นะแต่นี่ท่านเอายอดซึงการแสดงอย่างนี้นะ่ะเรียกว่าเป็นการแสดงในบางที่อย่างสั้นๆแล้วก็แสดงอย่างประกาศมุ่งหมายจุดมุ่งหมายปลายทางของผู้ปฏิบัติว่ารู้กันอย่างถึงขั้นสุดยอดต้องเป็นพระอรหันท่านจึงแสดงความอ่า เป็นปริญญาตาวีบุคคลด้วยอารหันต์แต่ยานอื่นๆต่ำกว่านั้นก็อนุโลมด้วยได้ไม่ผิดในในทางเนื้อหาความหมายนะฮะนี่คือความหมายในสูตรนี้ที่แสดงอย่างสั้นๆก็เราได้ฟังเรื่องนี้กันมาพอสมควรแล้วก็ฟังแล้วไม่ไม่ยุ่งยากนะัก อที่ผมว่าจะอธิบายขยับลงไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็คือเนื้อความในสูตรนี้ถ้าแสดงอย่างครบทั้งหมดแสดงอย่างครบทั้งหมดเหมือนอย่างในสูตรอื่นนะคือไม่แสดงเอาแต่ย่อดแสดงกระจายครบทั้งหมดทุกขั้นทุกชั้นของการปฏิบัติก็จะเป็นอย่างที่ผมกําลังจะว่าต่อไปนี้นะะ คือในข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองเนี่ยแสดงถึงอารมณ์และปัญญาแม้ข้อสองก็อารมณ์และปัญญาและถ้าหากกล่าวถึงยานทั้งสองนี้ ด้วยอำนาจของโลกุตตะโลกุตตะยานการกําหนดรู้ปริญญาธรรมนั้นรู้อย่างเป็นอาสามโมหะรู้ปริญญาธรรมอย่างเป็นอารมณนะและถ้าหากว่าแสดงประเด็นที่หนึ่งคือปริญญาอย่าง เป็นโลกียะอย่างเป็นโลกียะนะครับก็จะมีอารมณ์คู่กับปัญญาหรือวัตถุคู่ปัญญาแต่ว่าลักษณะของการรู้นั้นผมพูดไปแล้วเขียนไปเดี๋ยวท่านดูในแผ่นและนิพพานที่เป็นปริญญาธรรมอย่างกล่าวในกรณีที่สอง ถ้าบุคคลทำวิปัสสนาอย่างเป็นโลกียะอยู่นิพพานก็เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเป็นไหนที่เรียกว่านิยัวิปัสสนาอันนี้ผมเคยบรรยายในครั้งแรกๆ แ, แล้วตอนนี้ดูให้ให้สอดคล้องกับหลักฐานที่เป็นคําของพระพุทธเจ้าให้ให้ชัดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ผมกําลังจะพูดถึงสูตรนี้อย่างชนิดที่กระจายความหมายครอบคลุมทั้งหมด ไม่พูดแต่เฉพาะจะต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นไอ้ที่เขียนว่าหนึ่งว่าสองเนี่ยนะฮะหนึ่งคือปรินยยธรรมนามรูปกับปัญญาสองนิพพานกับปัญญาอย่าลืมยืนความหมายตรงนี้ไว้คนที่บรรลุโลกุตระยานแล้ว ถามว่ารู้นามรูปไหมถ้าตอบว่ารู้รู้ด้วยอาการอย่างไรแล้วก็ถามว่าโลกุตละยานรู้นิพพานหรือไม่รู้รู้ด้วยอาการอย่างไรคนทําวิปัสสนารู้นามรูปไหม รู้รู้ด้วยอาการอย่างไรและรู้นิพพานไหมรู้รู้ด้วยอาการอย่างไรนอาคําหน้าวัตถานเนี่ยหมายถึงวัตถุขอใช้คําว่าวัตถุแทนก็นแล้วกันเพราะว่าไอ้วัตถุเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้งอารมณ์ทั้งไม่ใช่อารมณ์ถ้าใช้คําว่าอารมณ์เนี่ยมันจะหมายถึงต้องหน่วงเอามานึกญาณวัตถุเนี่ยมันมีสองอย่าง คือทีทอ่ที่ตั้งของปัญญาที่เราใช้คำว่าที่ตั้งของปัญญาเนี่ยมีสองอย่างแ ป, แปลแล้วก็ฟังดูไม่ชัดนะถ้าเราซึ้งคำบาลีก็ฟังจะชัดผมก็เลยใช้อย่างบาลีว่าวัตถุของปัญญาเนี่ยมีสองคือเป็นอารมณะวัตถุอันหนึ่งกับอาสัมโมหะวัตถุอันหนึ่ง อาสำโ ม, มหวัตถุแปลว่าปัญญารู้เรื่องนั้นอย่างไม่หลงไม่อีกรู้เพราะไม่หลงโดยไม่ต้องหน่วงเป็นอารมณ์ไม่ต้องคิดอยู่ถ้าอารมณวัตถุปัญญานั้นหน่วงเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ด้วยเรียกว่าอารมณะวัตถุมีเป็นสองอย่างนั่นที่ใช้คาว่าวัตถุข้างหน้าเนี่ยก็คือ บาลินเยยธรรมคือนามรูปสำหรับโลกุตะญาณแล้วก็ไม่ได้เอาเป็นอารมณ์เพราะไม่จำเป็นที่ไม่จำเป็นเพราะถึงที่สุดแห่งความรู้ครบแล้วรู้ทั่วแล้วรู้อย่างไม่หลงอีกแล้วการไม่ได้เอานิพานามรูปมาเป็นอารมณ์อีกนะั้นไม่ใช่งโง่ ไม่ใช่ไม่รู้รู้แจ่มแจ้งแล้วจนกระทั่งวางไม่ต้องคิดอีกเรียกว่าอะสัมโมหะถ้าฟังตั้งแต่ต้นมาก็จะคุ้กับคำพวกนี้ผมก็พูดบ่อยๆแม้พูดในที่อื่นๆนะพอมากระทบเรื่องนี้ต้องพูดยืนอยู่บ่อยๆเป็นเรื่องหลักของความรู้เบื้องสูงคราวนี้โลกุตละยานเนี่ยคือหมายถึงมรรคผลจะเป็นโสดาปฏิมาคหรืออรหัตตมาค ก, ก็ตาม ในกรณีของปริญญาธรรมข้อสองคือนิพานนั่นเองนะครับนิพานเป็นวัตถุของญาณในกรณีข้อสองเป็นอารมณ์ของโลกุตระญาณจริงๆเพราะฉะนั้นโลกุตระญาณเนี่ยจึงชื่อว่ารู้ทั้งปริญยาธรรมและรู้ทั้งปริญญาธรรมคือนิพาน ทำไมใช้ภาษาของท่านก็บอกว่าโลกตละละยานนะรู้ทั้งนามรูปและรู้สันิพานโดยรู้นามรูปอย่างอาสร ม, มวะรู้นิพานอย่างอารมณนะก็สรุปอย่างนี้แหะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะว่าอย่างนี้ด้วยและถ้าบุคคลทำวิปัสสนาญาณยังเป็นโลกีอยู่ แน่นอนโลกียวิปัสนาญาณยังไม่ได้หน่วงอนิพานมาเป็นอารมณ์มีนามรูปเป็นอารมณ์ก็คือมีปริญเ ย, ยธรรมเป็นอารมณ์นั่นเองก็เลยกลับตรลปัดกันนะ่ะมีนามรูปเป็นอารมณ์คือมีปริญเ ย, ยธรรมเป็นอารมณ์แต่นิพานเนี่ยมีความรู้อย่างเป็นในในเนี่ยความหมายใกล้ๆกับสามโมหะ ท่านเรียกวันนยัวิปัสนาคือพอเห็นนามรูปโดยความเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วก็เข้าใจวันนิพพานไม่เป็นอย่างนี้ชัดเจนทราบซึ้งขึ้นไปโดยลําดับโดยลําดับพอรู้นามรูปอย่างทะลุหมดก็จับนิพพานเป็นอารมณ์อย่างที่ตัวเองเก็บความเข้าใจมาทีละหน่อยทีละหน่อยจากบทเรียนกลับตละปัดหรือมุมตรงัข้ามกับ น, นามรูปมาโดยลําดับเนี่ยเพราะฉะนั้นโลกิยะเนี่ย จึงรู้นามรูปโดยความเป็นอารมณ์รู้นิพพานโดยความเป็นในก็กลับตละพั์เกินอย่างนี้นี่คืออธิบายแบบครบหมดของทั้งสูตรของสูตรนี้และบุคคลที่เรียกว่าปริน ญ, ญาตาวีในสูตรนี้เอาสูงสูตรวะหลานแต่ถ้าเอาทั้งหมด ปริญญาตาวีอริยะบุคคลทั้งหมดด้วยหรือถ้ายังไม่เป็นอริยะบุคคลคือได้วิปัสนาญาณก็เรียกว่าปริญญาตาวีที่ยังเป็นโลกียะอยู่ในขั้นโลกียะสูตรนี้ว่าอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าพระสูตรเนี่ยใครๆว่าง่ายก็จริงฮะง่าย มันจริงๆแล้ง่ายปนยากถ้าเป็นพระสูตรแสดงเรื่องขั้นปารมัีขั้นปฏิบัติเบื้องสูงนี่ยากทั้งนั้นไม่ง่ายและคนจะอ่านพระสูตรพวกนี้ได้ค่อนข้างเข้าใจดีก็จะต้องเรียนวิสุทธิมาร์กเรียนอพิธรรมสังคะในเชิงรพริธรรมมาพอสมควรจึงจะเข้าใจได้พระสูตรเลยกลายเป็นเรื่องยากสาหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานการเรียนศาสนาอย่างเป็น ระบบเอาละเรามาดูสูตรต่อไปสูตรต่อไปชื่อเหมือนกันเลยครับเรียกว่าปรินยญาสูตรเหมือนกันคือพระสูตรเนี่ยมีชื่อซ้ากันกันเยอะครับแล้วก็แปลชื่อสูตรว่าเรื่องสิ่งควรกำหนดรู้เหมือนกันสูตรนี้ไม่ได้แสดงแก่ภิกษุหมู่มากสแสดงแก่พระราทะ พระราธาเรารู้จักประวัติท่านก็คือท่านราธะพระแก่ที่เป็นอันเตวาสิก ข, ของท่านประสรบุตรนั่นเองที่ถวายตักบาตรท่านทัพีเดียวแล้วประสรบุตรรับปวดให้บวดแล้วก็ไฝ่ใจในการปฏิบัติเพราะว่าโดยธรรมดาบวชเมื่อแก่เนี่ยจเจริญในธรรมลำบากกว่าเมื่อบวชยังเป็นหนุ่มนะ พระูปเจ้าก็ไม่ถึงกับห้ามแต่บอกว่าหายากที่บุคคลผู้บวชเมื่อชลาแล้วจะเจริญในธรรมไม่ว่าจะเป็นบินในปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ว่าพระราชานี่มีคุณสมบัติพิเศษมีศรัทธามีความใฝ่ใจสูงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทิฏฐิมานะน้อยพู้ยง่ายไม่หัวดือ้อมีลักษณะความนอบน้อมสูงบวชเข้ามาแล้วก็บรรลุ ทำได้โดยไม่ชักช้าพระผู้มียภาคทรงแสดงทำเบื้องสูงโปรดแก่พระจรารูปนี้แสดงเรื่องปริญญาปริญญาปัญญาเนี่ยนะตรัสแก่พระราธาวาดูก่อนราธะเราสถาคดักแสดงปริญญาความกําหนดรู้นี่ท่านเลี้ยงท่านอีกอย่าง แล้วก็จักแสดงปลิญญาจริงๆนะในพระสูตรเรียงเรียงเหมือนกันนะขอสประชานาไปเรียงเหมือนกันแต่ที่ผมว่าบาลีเอามาใส่ไว้ข้างหน้าสูตรก่อนนะบาลีใส่ไวข้างหลังก็ถือว่าเราคุ้นกับบาลีจากสูตรแรกแล้วก็แล้วกั น, กนแต่วันนี้พิมพ์สับ พิมพ์สับลำดับไปนิดหนึ่งคือปริญญาเนะี่ยต้องเป็นลำดับที่สองปริญญานะฮะอ่าปริญญยธรรมในลำดับแรกอ่าแล้วก็ปริญญาตาวีบุคคลผู้บุคคลผู้กําหนดรูปเนื้อความของสูตรเนี่ยคล้ายกันเอ่อเหมือนกันแหละครับจริงๆเหมือนกันก็มาแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานในทางความหลากหลายเพื่อว่าสูตรหนึ่งแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายสูตรหนึ่งแสดงแก่พระ องใดอง์หนึ่งนั่นเองแล้วก็ตรัสว่าปริญเยธรรมเป็นชนิดอธิบายว่ารูปแรมเป็นปริญเ ย, ยธรรมเวทนาเป็นปริญเยธรรมสัญญาเป็นปริญเยธรรมสังขารเป็นปริญเยธรรมวิญญาณเป็นปริญเยธรรมเป็นธรรมที่ควรก็กําหนดรูปคือนามรูปนะซึ่งการแสดงว่าเป็นปรินเยธรรมบางครั้งก็ทรงแสดงด้วยอเยตนะหรือแสดงด้วยไนยะของการกระจายนามรูปด้วยธาต หรือด้วยประการอย่างอื่นแม้ปฏิจจสมุปบาทก็เรียกว่าเป็นปรินเยยธรรมธรรมที่ควรทำแล้วก็จะสรุปว่าเหล่านี้เราเรียกว่าปรินเยยธรรมแต่ต่อไปปริน ญ, ญาเป็นขนาดปริน ญ, ญาหรือปริน ญ, ญาธรรมนะนะตรัสว่าความสิ้นราคะคือราคะขโยความสิ้นโทสะโทสะขโยนี่ผมใสบ่บาลีมาด้วยความสิ้นโมหะโมหขยโยขอให้ทราบว่ารงนี้นะเป็นชื่อนิพาน จะถามว่าปรินโยยธรรมในข้อหนึ่งเนี่ยแสดงนามรูปหรือแสดงปัญญาตรงนี้ต้องเข้าใจว่าท่านเอ่ยเหมือนจะเอ่ยถึงนามรูปแต่จริงๆท่านหมายถึงปัญญาด้วยเพราะผมได้บอกแล้วเมื่อกี้ว่าเมื่อพูดถึงวิปัสนาหรือนามรูปเนี่ยต้องมีความหมายเลยไปถึงความรู้นามรูปด้วย ไม่อย่างนั้นนามรูปนั้นไม่อยู่ในฐานะเป็นสิ่งที่พึงกํานู ก, กําหนดรู้นะฮะจะรู้โดยโลกีญาณหรือโลโกตะญาณก็แล้วแต่อย่าลืมว่านามรูปเนี่ยมัคคายานผลลญาณก็รู้แต่รู้อย่างไม่หลงอสามโมะถ้าวิปาาัสสนาญาณรู้นามรูปรู้กรินยยิยธรรมรู้อย่างเป็นอารมณ์นะนิพพานวิปาาัสสนาญาณโลกีก็รู้แต่รู้อย่างเป็นนยัวิปัสสนา รู้อย่างเป็นอนาคตอารมณ์แต่ว่ามีเข้ามาให้จับความเข้าใจในนิพพานแม่นชัดขึ้นและมรรคผลซึ่งเป็นโลกุตละวิปัสนาญาณก็รู้นิพพานอย่างเป็นอารมณ์ก็เลยแยกตรงกันข้ามกันในทางความรู้ระหว่างนามรูปกับ น, นิพพานของโลกียาญกโล ก, ยายากุตละญาณอย่างนี้ก็เลยต้องจำไว้ว่าพูดถึง ขันห้าอย่างเป็นปรินเยยะเนี่ยเอาวัตถุออกหน้าไม่ได้มุ่งแสดงแต่วัตถุเอกเทศแต่ปัญญาประกบอยู่รูปนั้นจึงเรียกว่าปรินเ ย, ยยะธรรมและปรินยาธรรมโดยชื่อว่าธรรมคือความรู้เรียกด้วยอำนาจปัญญา แต่หมายถึงอารมณ์ของปัญญานี้ด้วยคือ น, นิพพานนะฮะปารินญยธรรมนะเรียกโดยอำนาจอารมณ์ว่าเป็นอารมณ์ของปัญญาปริน ญ, ญาธรรมนะเรียกโดยอำนาจของปัญญาแต่หมายถึงอารมณ์ด้วยก็เอาอย่างนี้นะฮะว่ามันเหมือนกับเราพูดว่าปัญญาเนี่ยคน เ, เรากำลังเกิดปัญญา เราพูดถึงปัญญาเป็นตัวออกหน้าแต่มันหมายถึงสิ่งที่เรารู้ด้วยคือความรู้ด้วยพูดถึงความรู้ว่ารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้ววันนี้เอาความรู้ออกหน้าแต่หมายถึงปัญญามีด้วยจะเอาอะไรออกหน้าก็กระทบไปถึงอีกข้างหนึ่งเสมอสูตรนี้ก็เหมือนกัน เกวพันไปถึงบุคคลด้วยอเพราะฉะนั้นบุคคลที่เรียกว่าปัาปญญาตาวีเนี่ยเพราะว่าปัญญาเจตสิกไม่ได้ไปเกิดอยู่นอกตัวสัตว์บุคคลอยู่ในสัตว์บุคคลและบุคคลได้ปัญญาชั้นใดก็เรียกบุคคลนั้นสมมติบุคคลนั้นว่าเป็นบุคคลนั้นไปนะฮะ อย่างเช่นอรหันตบุคคลเนี่ยก็เรียกด้วยมนาจของปัญญายานขั้นสูงสุดนั่นเองในที่นี้ท่านกล่าวถึงปัญญายานขั้นสูงสุดก็เลยพูดถึงพระอรหันต์แต่อนุโลมต่ำไปถึงพวกอื่นด้วยนี่เป็นสูตรที่เหมือนกันไปดูสูตรที่สามตรัสเรียกว่าปริญญาสูตร แปลว่าความกำหนดรู้แปลอย่างทั่วไปย้ายข้อหนึ่งมาไวบ้บรรทัดที่สามนะที่บอกก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยแล้วมีข้อหนึ่งข้อหนึ่งมาไวบ้บรรทัดถัดข้ามมาอีกบรรทัดหนึ่งคือก็อทำที่ควรกำหนดรู้เป็ น, นยังไงใสข้อหนึ่งมทั้งนั้น ผมอ่านสูตรนี้ให้ครบก่อนครับตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจกแสดงธรรมที่ควรกำหนดรู้และความกำหนดรู้เธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทาที่ควรกำหนดรู้เป็นไนคือเติมกึ่ไปด้วยรูปเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้คําว่าควรกําหนดรู้คือปริญเยยยาปริญเยยยาหรือปริญเยยธรรมนั่นแหละครับอันเดียวกันคําพูดบางทีเวลาท่านแสดงในพระสูตรต่างที่ ก, กันเนี่ยบางทีก็อาจจะมีต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าส่วนหลักตรงนี้แล้วเหมือนกันเหล่านี้เราเรียกธรรมที่ควรกําหนดรู้ว่าปรินเยยยาสองก็ความกําหนดรู้เป็นไนคือความสิ้นไปแห่งราคะ ราคัคโยความสิ้นไปแห่งโทสะโทสะคคโยความทิ้นไปแห่ง โ, โงโมหะโมหะคัคโยนี้เราเรียกว่าความกําหนดรู้ปริญญาพระสูตรนี้แสดงแค่องสองนะฮะไม่แสดงบุคคลคือถ้าแสดงบุคคลเนี่ยแปลว่าแสดงไปถึงสมมติด้วยุคลนี่ถือเป็นสมมติเป็นที่เกิดของปัญญาคือตัวคนเนี่ย มันก็ปัญญาก็อยู่ในคนอารมณ์ที่คนผู้มีปัญญา น, นกําหนดรู้ก็อยู่ในตัวเองนั่นแหละครับในตัวบุคคลนะปริญญาธรรมของบุคคลใดก็อยู่ในบุคคลนั้นปัญญาปริญญาปัญญาของบุคคลใดก็เกิดอยู่ในบุคคลนั้นในสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงบุคคลไม่ได้ตกเ ต, ติร์กอย่างไรหรอกครับสูตรนั้นไม่ได้พูดจริงๆพูดแค่นี้ก็ เ, เอามาเลียงให้ดูอันนี้ก็เป็นแต่เพียงความต่างทางเทศนาเท่านั้นแล้วก็อธิบาย ความประการอื่นๆเหมือนกันดูสูตรที่สี่ซึ่งเป็นสูตรสุดท้ายของประเด็นแรก ป, ปริญญาสูตรอ่าตั้งชื่อเหมือนกันอีกครับแต่ว่าอยู่คนละที่กันเลยอยู่ปฏิีิตรคนละเล่มกันด้วยสลัดว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายอินซีห้าเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกาหนดรู้อัฐานะ อินทรีห้าเป็นฉะไหนคือสัตทินทรีจนถึงปัญญทรีแต่จะเติมให้เต็มก็สัตทินทรีวิฏยินทรีสตินทรีสมาทรีและปัญญทรีที่เราขึ้นป่าคล้องใจกันดีนะคืออินทรีห้าที่ถือว่าเป็นองค์สำคัญของการปฏิบัติธรรมตั้งแต่โลกิยะจนถึงโลกุตละดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีห้าเหล่านี้ แต่อันบุคคลเจริญแล้วก็จะทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัตฐานะก็มีปัญหาว่าอัตฐานะเนี่ยคืออะไรในพระไตรปิฎกภาษาไทยเขาไปวงเล็บว่าทางหนทางไกลเขาไปวงเล็บงั้นซึ่งอัตฐานะที่ใช้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีบางแห่งเนี่ยหมายถึงทางไกลยอย่างเช่นอัตทานอัตฐานะบริพภทธ แปล ว, ว่าความกังวลเรื่องการเดินทางไกลนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับไม่เกี่ยวกันในนี้แต่อัตนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหมายถึงการเวลาหมายถึงการเวลาอันยาวไกลอย่างที่ปรากฏในปฏิจจสมุปบาทว่าอัต ธ, ธาสามอดีตอัตตาอนาคตอัตตาปัจจุบันอัตตาทีนี้คาว่าการเนี่ยในทางเนื้อมันคืออะไรมันคืออาการ เปลี่ยนไปของอะไรในทางสภาวะของนามรูปปัจจุบันอดีตอนาคตเวลาที่เป็นสมุติอันหนึ่งเวลาที่เป็นสมุติไม่ใช่เวลาในปฏิจจะเวลาในปฏิจจนั้นหมายถึงเวลาที่เป็นปรมาภิสะนั้นการเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดไปของนามรูป นามรูปใดที่ดับไปแล้วเป็นอดีตนามรูปที่กําลังปรากฏอยู่เป็นปัจจุบันนามรูปที่ยังไม่เกิดเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าอัฏฐาในสูตรที่แสดงเรื่องสภาวะการปฏิบัติเนี่ยหมายถึงการเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาของนามรูปนั่นเองการรู้แจ้งอนิจจงทุกขังอนตาของนามรูปหรือความเกิดดับของนามรูปนั่นเอง ทั้งความเกิดดับที่เห็นอยู่ตอนหน้าทั้งความเกิดดับที่เกิดดับผ่านบนไปแล้วคือการเกิดดับส่วนอดีตความเกิดดับส่วนปัจจุบันและความที่จะเกิดจะดับในส่วนอนาคตที่เราได้พูดมาแล้วนะครับว่าการรู้ความเกิดดับเนี่ยมันไม่ใช่รู้แต่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันนี้ต้องรู้ก่อนแล้วก็รู้ย้อนหน้าเลยอ่ย้อนหลังเลยบหน้า เป็นอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่านามรูปเกิดดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นสูตรนี้ท่านแสดงวัตถุและปัญญาอยู่ด้วยกันทั้งที่เป็นโลกีย า, ยาและโลกุตละยาที่เป็นโลกีย า, ยาก็คือ วิปัสนาญาณที่ยังเป็นโลกียังไม่ไบรรลุมรรคผลย่อมรู้อัตตาคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของนามรูปโดยทําให้เป็นอารมณ์อยู่ด้วยอาการของญาณ น, นั้นๆเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วก็รู้อัตตาโดยความเป็นอาสามโมหะอย่างที่ว่ามารู้แจ่มแจ้งเรื่องความเกิดดับของนามรูปทั้งเดียวนั้น ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งของตนทั้งของคน อ, อื่นไม่มีข้อขัดข้องในสูตรนี้จึงไม่ได้แสดงวัตถุที่เป็นวิวัตตะคือพระนิพพานแสดงแต่วัตถุที่เป็นสัตว์นี่คือสูตรนี้ตั้งชื่อด้วยอำนาจของปัญญาใช้คำปริญญาเป็นชื่อของปัญญาแต่ผมก็บอกแล้วปัญญาต้องโยงไปถึงวัตถุ ด, ด้วย แต่สูตรใดที่ถ้าตั้งชื่อว่าอภินยยะอย่างนั้นตั้งชื่อเรื่องหน้าของวัตถุแต่ก็โยงไปหาปัญญาด้วยทิ้งกันไม่ได้ปัญญากับความรู้ทิ้งกันไม่ได้หรือญาณกับวัตถุทิ้งกันไม่ได้นี่ประเด็นที่หนึ่งเรากลับไปดูหัวประเด็นอีกทีหนึงว่าเราจ่วหัวประเด็นของสูตรทั้งสี่นี้ว่าอย่างไรสูตรแสดงปริญญาโดยวัตถุปัญญาและบุคคล รับไะรับก็บประเด็นไหประเด็นนี่ผู้ทธจ้าไม่ได้ตั้งนะผมตั้งเองตั้งเพื่อให้จัดหมวดหมู่ของสูตรให้อยู่ในส่วนนี้เพราะนั้นเอาความวาบุคคลอย่างตัวเราเนี่ยไปไหนไปสร้างปัญญาปัญญาก็จะอยู่ในเราแล้วก็วัตถุก็ปัญญาของเราเป็นผู้รู้แยกไม่ได้ครับจะเอาบุคคลไว้ทางเอาปัญญาไว้ทางเอาวัตถุไว้ทางอยู่คนละที่คนละทางไม่ได้ คราวนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งพระสูตรแสดงปริญญาโดยการรู้กันละอันนี้ก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อทรงแสดงธรรมะในเรื่องของความรู้ทางการปฏิบัติภาวนาบางทีก็ทรงแสดงน้อยแสดงมากบางทีแสดงครบทั้งระบบของกระบวนการความรู้ในส่วนหลักๆเลยนะอันนี้ผมเรียงจากน้อยไปหามาก ตามราดับประเด็นที่มีสูตรมากบางน้อยบ้างต่างกันไปเนี่ยนะอสูตรก่อนหน้านี้นะไม่ได้พูดอย่างการละพูดแต่เชิงความรู้ผู้รู้ปัญญาที่รู้สิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่ได้พูดเรื่องการละอย่างเป็นรูปของการเทศนาที่ออกมาแต่ในกลุ่มสูตรที่อยู่ในประเด็นนี้ พูดถึงการละด้วยสูตรเหล่านี้ถ้าหากว่าเราเป็นนักปฏิบัตินี่เราจะอ่านด้วยความซาบซึง้งแล้วก็ฟังด้วยความซาบซึง้งไม่ใช่อ่านด้วยความซึมเซาฟังด้วยความซึมเซานะคือมันผิดกับเมื่อก่อนเมื่อก่อนพระไตรปิฎกพวกนี้อ่านแล้วมันไม่สนุกเลยมันชวนง่วงเวีนบ้าเลยอ่านก็พอเข้าใจไปยังงงั้นแหละเหมือนว่าเข้าใจแต่มันไม่กินความรู้สึก แต่พอมาถึงเดือนนี้ยิ่งอ่านและยิ่งรู้สึกก็มันกินความรู้สึกไม่รู้เบื่อสูตรประเภทอย่างนี้เนี่ยมีเยอะแล้วก็ไม่รู้เบื่อเป็นเรื่องของการแสดงถึงเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะเพราะงั้นการที่เราได้ฟังสิ่งเหล่านี้โดยตรงจากพระโอษฐ์เนี่ยแล้วก็สามารถจะพอเข้าใจได้บ้างเนี่ยนับว่าเป็นเป็นบุญเป็นสิ่งควรปีติสมนัดมาก เรามาดูสูตรที่หนึ่งเลยจะเห็นว่าท่านตั้งด้วยอำนาจของการละออกหน้าไว้เลยถึงก็ไมแบบแ่ได้แปลพูดแต่ละอย่างเดียวอ่ะแต่มีอความรู้อยู่ด้วยการละต้องคู่กับความรู้เหมือนเมื่อกี้เราพูดว่าความรู้ต้องคู่กับวัตถุเนี่ยมันต้องจับคู่กันแต่ว่าอพลังของไอ้ความรู้เนี่ยมันมีผลต่อการคืนคลายความชุเช่นที่เห็นเห็นก็คือ ทำลายความโง่อันนี้อันหนึ่งที่เห็นง่ายที่สุดนะเป็นปฏิปักษ์โดยตรงเข้ามันของของความรู้แล้วเมื่อทําลายความโง่แล้วก็ทําลายทัศนคติต่อสิ่งที่ตัวเองเคยมีต่อสิ่งที่ตัวกําลังรู้นั้นว่าเมื่อก่อนไม่รู้มีทัศนคติอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มารู้แล้วเกิดทัศนคติอย่างหนึ่งสูตรนี้กําลังจะบอกถึงทัศนคติอันอื่นบางสูตรพูดถึงว่าเออบังเออผมไม่ได้คัดมา อาไม่ได้คัดมาให้ว่ารู้แล้วล ะ, ละวิชาบางสูตรพูดเอาเอากิเลสปฏิปักษบางสูตรนั้พูดกิเลสอีกตัวหนึ่งซึ่งมันก็ใหญ่เหมือนกันคือราคะความติดความกำหนัดตรงนี้นะบางสูตรก็พูดถึงกิเลสอื่นๆด้วยเราดูที่ว่าสูตรนี้พูดถึงละอะไรรู้แล้วละอะไรตลาดว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราจะแสดงทำเพื่อละสิ่งทั้งปวงนั้นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทำนั้นก็ทำสําหรับละสิ่งทั้งปวงเป็ น, นไงผมใสยบาลีให้ดูนี่นะสัพพะปหานะธรรมทำสาหรับละสิ่งทั้งปวงไอ้อคําว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเนี่ยท่านหมายถึงนามรูป ที่บัญญัติด้วยอำนาจของขาอายตนะของขันนี่นะเรียกว่าสิ่งทั้งปวงมันเออ่ถ้าเสียดายว่าผมไม่แน่ใจวพวกเราเป็นเรียนอวิธรรมกันมาเยอะแค่ถ้าเป็นคนเรียนพระวิธรรมถึงบริเฉดเจ็ดเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าผมเพิ่งมาเข้าใจบทหนึ่งนี่ก็พูดไว้เผื่อถ้าใครไม่ได้เรียนก็ไม่สงสัยมันก็ไม่น่าฟังที่ในประเด็นไอ้แง่คิดคองเข้าใจแท้ๆที่ผมจะพูดต่ อ, อไปนี้นะ บริเขตเจ็ดนี่จะมีอยู่บทก็เรียกสัพพะสังขารเวลาเราอ่านตรงนี้เวลาอธิบายถึงตรงนี้อธิบายไม่ตรงไม่เคยอธิบายตรงเลยมาจนเดี๋ยวนี้ผมเพิ่งมาเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าอ๋อที่พระอนุรุตท่านเรียกบทตั้งบทตรงนั้นว่าสัพพะสังขารเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอย่างที่อธิบายมาแต่อดีต แล้ท่านไม่ได้ตั้งศัพท์ผูกสับของท่านขึ้นมาเองท่านเอาคําของมุตรเจ้าพุตรเจ้าเรียกลูกเรียกน้ำเรียกอายตนะว่าสับพระแปลว่าทั้งหมดผมไม่เคยเข้าใจตรงนี้เลยครับเรียนตรงๆว่าเพิ่งมาเข้าใจเมื่อเมื่อคัดสูตรนี้นี่แหละคือเมื่อคัดมารวบรวมสูตรเนี้อ๋อถึงเข้าใจถึงมันไม่ได้แปลเพิ่งอดีิตนี้นะ่ะได้ได้เห็นมาก่อนหน้าแต่ว่าเอาเป็นแน่ๆว่าก่อนบรรยายเรื่องนี้ก็แล้วกัน เป็นอย่างอย่างหลังบรรยายเรื่องนี้ไม่จะก่อนบรรยายเรื่องนี้พระสัพพะเนี่ยที่แปลว่าทั้งหลายเนี่ยเรามีมีเรียกว่าสัมภาระสัมภาร ะ, าะคือภาระที่มันเป็นอบริการใจใสอยกิเลสมันก็มีสัมภาระเหมือนกันนามรูปเนี่ยเป็นสัมภาระของกิเลสกิเลสมันต้องใช้สิ่งเหล่านี้ ใช้เพื่อบํารุงมันแหละเพื่อความอยู่รอดของมันอย่างใดเราก็มีสัมภาร ะ, ะเป็นเครื่องใช้เพื่อรักษาตัวบํารุงตัวให้เป็นไปอยู่ได้อย่าง น, นั้นมือนก็ท่านเนี่ยท่านเรียกไอ้นามรูปอัอยตนะอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะว่าเป็นสัพพะอ เ, เอาไอาน้นะึกง่ายๆเป็นสัมภาระขอกิเลสเอางี้นะสัมภาระคอกิเลสพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสัพพะสัพพะ ขันห้าก็เป็นสัพพะพ้อยกิเลสเบื้องสูงในเวลาเกิดเกิดกับขันความจริงวิกิเลสเบื้องต่ำก็เกิดกับขันเหมือนกันเกิดตื่นเกิดลึกหนาบางเหนียวแน่นแตกต่างกันไปเท่านั้นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าจักสุรูปจักสุวิญญาณจักสุสัสมปัน คือจักรสูร่กระลุนี่ต้องเว้นกันนิดนะคนละตัวกันจักรสูวิญญาณติดกันถูกแล้วจักรสู่สัมผัสติดกันถูกแล้วเป็นสิ่งควรละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออะทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรสู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งควรละจนถึงใจธรรมมารมมโนวิญญาณมโนสัมผัส เป็นสิ่งควละแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทอุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งควนละดูก่อนภิกสูทั้งหลายอันนี้แหลเป็นธรรมสำหรับละสิ่งทั้งปวงฟังดูเนี่ยทำไมอธิบายหรือไม่สืบสวนดวยดีก็บอกว่าสิ่งควนละแล้วทำไมแค่นั้นน่ะเลยละ เหมอเราบอกกั น, นี่สิ่งควรละแค่นั้นละได้หรือแน่นอนแล้วถ้าไม่ใช่ปฏิบัติเราพูดงิ้มบอกไม่ได้หรอกบอกไอ้นี่ยคนนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นสิ่งควรละและยังไม่ได้เหมือนพูดแล้วเหมือนว่ามาได้ลงมือละแต่แต่รู้เป็นสิ่งควรละกําหนดหมายไว้ในใจแต่ยังละไม่ได้ควรเลิกควรละควรหลบควรหลีกแล้ะก็ยังไม่ได้หลีกในที่นี้ท่านไม่ได้หมายความแค่นั้นในทางปฏิบัติแล้ว คำว่าสิ่งเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ควรละเนี่ยในทางปฏิบัติรู้หรื อ, อยังรู้ว่ารูปนามเป็นสิ่งควรละถามว่าละหรื อ, อยังในทางปฏิบัติละแล้วครับนั่นแหละคือเกิดการละการที่เรามีนามรูปอยู่กับตัวแล้วก็ยังไม่มีญาณเข้าไปกำหนดรู้ให้นามรูปนี้ไม่มันควรละ ไอ้คําว่าควรละเนี่ยคือเกิดการละเกิดยานรู้ว่าละและ้วก็รู้ว่านี่แหละเราละนั่นแหละควรแล้วละน่ะควรแล้วควรละและละได้แต่ครับถึงบอกว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันอ่อนความหมายที่ทำมามันอ่อนทันทีเลยถ้าพูดเป็นอย่างเอาไม่ไม่ไม่ติดกําแปละนะก็บอกว่าใครที่ไปเห็นนามรูป อย่างชนิดที่หน่ายในนามรูปได้เกิดยานหน่ายนามรูปได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ละความรู้นั่นแหละเป็นธรรมเครื่องละนามรูปนั้นทีนี้คำว่าละนามรูปเนี่ยเอ้ตรงนี้ต้องพูดกันกันซะด้วยละขันละนามรูปที่พูดอย่างการปฏิบัติเนี่ย หมายถึงวิ่งหนีนามรูปหรือเรียกว่าละโกนผมเนี่ยเรียกว่าละรูปไปได้บางส่วนใช่หรือไม่ถอนฟันละรูปไปได้บางส่วนได้หรือไม่ไม่ใช่คำว่าละนามรูปตรงนี้ถามว่าปัญญาไปละนามรูปที่ไหนอย่างไรคำตอบความหมายที่ท่านต้องการคือเกิดปัญญา ไปละความยึดในนามรูปนามรูปยังอยู่ที่เดิมเพราะไอ้นามรูกี่ไปโทษมันผิดก็ไม่ได้เพราะมันอยู่มันเฉยเฉยอะใช่ไหใครไปติดนามติดรูปถามว่าใครไปติดนามติดรูปไอ้ติดทุกข์คือ น, นามรูปตันหาใช่ไหมตันหาเข้าไปติดถ้าเรายังไม่มียานตันหามันก็ติดขึ้นมนอยู่เป็นปกติ ไอ้นามรูปมันก็อยู่ของมันเย้ยเฉยอะนะครับตัณหาเข้าไปติดทีนี้พอเวลาเราปฏิบัติคนปฏิบัติธรรมเนี่ยไปจับนามจับรูปเห็นความจริงของนามรูปไม่ใช่อย่างที่ตัณหามันเห็นมาแต่ดั้งแต่เดิมปัญญาเข้าไปเห็นนามรูปนั้นอย่างตามความเป็นจริงเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นเฉยๆมันมีพลังถอนตัณหาที่เคยติดนามรูป คลายตัณหาปัญญานั้นที่เข้าไปเห็นนามรูปตามความเป็นจริงจึงชื่อว่าเป็นเครื่องละนามรูปจริงถ้าพูดให้เต็มต้องบอกว่าละความติดนามรูปพอชัดเลยนะละความติดนามรูปอันนี้เป็นเป็นพลังที่จะพึงได้ของผู้ปฏิบัติและ ถามว่ายานที่ไปอย่างรู้นามรูปจนทำให้เกิดการละความติดนามรูปอย่างในสูตรนี้พูดเนี่ยท่านหมายเอาโลกิยวิปัสนาญาณหรือโลกุตระวิปัสนาญาณด้วยตอบว่าหมายเอาทั้งสองเมื่อบุคคลได้โลกิยวิปัสนาญาณก็ถอนความติดถือในนามรูป อย่างในขั้นโลกิยะวิปัสนาญาณจะพึงละได้และเมื่อบุคคลได้โลกุตระญาณตอนนั้นถ่ายถอนความติดได้อย่างเป็นสมุดเฉดตามลำดับชั้นของมักคยญา น, นั้นๆแล้วชื่อว่าละได้อย่างเด็ดขาดก็เลยโลกิยาเนละตะทาง สถานข้าหานะโลกุตะละละอย่างเป็นสมุดเข้าพหานะเพราะฉะนั้นในนี้ท่านจึงพูดถึงปัญญาที่กล่าวว่าเป็นเครื่องละความ เ, เครื่องละนามรูปเนี่ยก็คือปัญญาเป็นเครื่องละความติดในนามรูปพอไปถึงอนุ ป, ปาที่เสสนิพานจึงถอนตนออกไปจากนามรูป ถอนตนก็พูดสมมติด้านั่นเองอะ่ะทำลายนามลูกเป็นนิสรณะปะหานะภายหลังเนีย่ยนะฮะนี่ก็เป็นความหมายของสูตรนี้เราว่าถึงสูตรต่อไปพระอรหันยังไม่ไปนิพพานละนามลูกไว้อย่างตามความหมายของสูตรนี้ละแล้วเพราะละความติดเพราะนั้นเวลาเราพูดกันถึงว่าละ หนึ่งก็คือตัดใจเนะี่ยเหมือนตานองพูดว่าตัดใจมันไม่ได้หมายถึงเทการละในเชิงเทศะในเชิงกรรมสิทธิ์แต่หมายถึงการตัดใจละนามละรูปประคันก็คือละปัญญาเข้ามาเป็นเครื่องละคือตัดใจจากความผูกติดความยึดในนามและรูปหือเป็นจกขันนี่สูตรที่หนึ่ง ต่อไปสูตรที่สองทุติยปหานะสูตรเรื่องสิ่งควรละที่สองบางสูตรนี่ก็คล้ายๆกันแต่เปลี่ยนแค่ว่าผมคัดมาเพื่อให้ดูเห็นความหลากหลายบางทีก็ต่า ง, างกันเยอะบางทีก็ต่างกันมาแต่สูตรนี้ว่าอย่างไงตรัสว่าดูก่อนวิสูุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมเพื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละ สิ่งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทำสาหรับรู้ยิ่งกําหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงเป็นฉไนการบีบมาจะติดๆกันเลยดูอ่านลาบากหน่อยนะฮะอันนี้ให้ให้กําหนดความให้ชัดอย่เองครับที่ท่านตรัสว่าเราจั ก, จกแสดงธรรมเพื่อรู้ยิ่งนะ้าอันหนึ่ง กำหนดรู้น่ะอันหนึง่งข้อความมันเว้นไม่ไม่ถูกที่แล้วละกำหนดรู้แล้วละละนี่อันหนึง่งก็หมายความว่าสูตรนี้ได้พูดแยกไว้ชัดเลยว่าความรู้อันหนึง่งแล้วก็การละการละซึ่งเป็นผลของความรู้อีกอั น, น ได้ตรัสอธิบายไปโดยลำดับอย่างนี้ครับว่าจักระูรูปจักระูวิญญาณจักระูสัมผัสเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งกาหนดรู้แล้วละเสียคําว่ายิ่งกับคาว่ากรรมเนี่ยแยกออกจากกัน่าให้ความหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งกาหนดรู้แล้วละเสีย แม้สุขเเวทนาทุกขเวทนาอะุกรมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละเสียแม้ใจแม้เวทนาที่เกิดเพราะอาศัยใจก็เป็นสิ่งเป็นธรรมที่สาหรับรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงเสีย ดูก่อนวิสูตรทั้งหลายอันนี้แลเป็นธรรมสำหรับรูยิงกำหนดรูแล้วละสิ่งทั้งปวงเสียในสูตรนี้นะทรงแสดงปริญญาสามอย่างที่เราพูดกันเป็นพื้นทั่วไปคำว่าอภินยยเยยะที่ผมใส่ภาษาบาลีเข้ามาด้วยเนี่ยนะคำว่ากำหนดรูยิงนะ่ง คือปริญญาอะไรครับปริญญาแรกปริญญาแรกคืออะไรยาตาปริญญายาตาปริญญานะและกําหนดรู้ที่ใช้คําว่ากําหนดรู้กําหนดอรู้ยิ่งนะ่ะยาตาปริญญากําหนดรู้คือตีรณะปริญญา แล้วละเสียละนั้นเป็นปาหานะปริญญานี่อตตกรถาท่านบอกเลย ว, ว่าสูตรนี้พูดถึงปริญญาสามซึ่งทั้งสามนี้ถ้าเป็นโลกิยะเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่เราพูดมาตั้งกระครั้งแรกมาจนถึงกล่าวที่แล้วเนี่ยพูดถึงยาตาปริญญาตีรณบปริญญาและยังไม่ได้พูดปราริณาปริญญานะ โลกีญานั้นยาตาปริญญาอยู่ในยานต้นตีระนปริญญาอยู่ในยานกลางไกวโลกีญาปาหานะปริญญาอยู่ในยานเบื้องปลายตั้งแต่ยาณห้ขึ้นไปซึง่งเรายังเราไม่ได้มีโอกาสพูดกันในในเที่ยวนี้เป็นปะหานะขั้นโลกียาแต่ถ้าเป็นโลกุตตะลาปริญญาแล้ว ญาตะปริญญาก็อยู่ในมรรคเตระนาปริญญาก็อยู่ในมรรคปาหาณปริญญาก็อยู่ในมรรคถือว่าเป็นความครบสมบูรณ์ของปริญญาสามอยู่ในนั้นหมดอย่างที่ได้เคยอธิบายมาแล้วจึงเป็นอันว่าสูตรนี้พูดถึงปริญญาสามอย่างที่เราพูดใช้พูดเป็นพื้นฐานโดยทั่วไปกัน เวลาท่านแสดงเนี่ยท่านก็เหมือนกับจะสอนว่าให้ทำทีละอย่างนะว่ากาหนดรู้รู้และละเสียอย่างอย่างที่แปลเนี่ยเหมือนให้ทาทีละอย่างแต่จริงๆแล้วนะมันไม่ใช่อ่ไม่ใช่การสอนอย่างในเชิงการความคิดการทำใจหรือการปฏิบัติธรรมดาที่ทำทีละอย่างบอกทีละอย่างแล้วต้องบอกจริงรู้ไม่บอกก็ไม่รู้บอกไม่ครบก็ทำไม่ครบทำขาดขาด บางทีก็เกินเกินบ้างแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติแล้วเนี่ยเวลาบอกเหมือนให้ทำดีอลไยอย่างแต่เวลาทำแล้วมันได้สมบูรณ์ยิ่งโลกุตาละเนี่ยไม่ต้องไปบอกบอกหรือไม่บอกได้ครบสมบูรณ์หมดเลยเป็นอัตโนมัติของธรรมธรรมะเป็นของของเราเองเป็นของที่เราบริหารเองไม่ต้องบอกหมดบอกมาก ก็ได้หมดได้มากมาดูสูตรที่สามของประเด็นสที่สองนี่นะท่านตั้งชื่อว่าปริญญาสูตรอีกแล้วครับเรื่องความกำหนดรู้ตรัสว่าดูก่อนวิสูุทั้งหลายเราจกแสดงธรรมเพื่อกำหนดรู้อุ ป, ปาทานทั้งปวง แกเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังทำนั้นทำเพื่อกำหนดรู้ซึ่งอุปาทานทั้งปวงเป็นฉไนนี่จะเห็นว่าพอเริ่มขึ้นมาเนี่ยถ้อยคำพุทธพจน์ถ้อยคำแตกต่างกันบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะแตกต่างกันไปเราดูให้จบสูดก่อนตรัสว่าอาศัยจักสุและรูป เกิดจากสุวิญญาณรวมธรรมสามประการเป็นผัสสะคือภาสสะเกิดเพราะธรรมสามประการนี้เพราะภาสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในจักรสุทั้งในรูปทั้งในจักรสุวิญญาณทั้งในจักรสุสัมผัสทั้งในบุเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนด ย่อมหลุดพ้นเธอย่อมทราบชัดว่าเรากําหนดรู้ว่าหลุดพ้นอุ ป, ปาทานนี่เราเราอ่านแค่นี้ก็อธิบายแล้วก็จะปกระทบถึงข้อความที่เหลือถัดจากนี้ด้วย เ, เราดูในเบื้องต้นที่ท่านตรัสว่ากําหนดรู้อุ ป, ปาทานอุ ป, ปาทานเนี่ยเป็นชื่อของกิเลสหรือเป็นชื่อของขันธ์ เหมือนอย่างที่ท่านถามว่าอุปาทานกับอุปาทานาขันอันเดียวกันหรือก่อลานนี่ในคำพระอรหันตสนทนานนสมัยพุทธกาลถามว่าอุปาทานกับอุปาทานาขันเหมือนกันหรือต่างกันตอบว่าต่างกันอุปาทานเป็นชื่อของกิเลสใช่ไหมตัณหากระทิฏิเป็นชื่อของความยึดอุปาทานาขัน เป็นอารมณ์ของอุปาทานคือเป็นชื่อของขันนั่นเองครับอย่างเราเนี่ยกิเลสเราเป็นอุปาทานขันของเรานี่เป็นอุปาทานนะขันนะคือนามรูปเรานะ่ถูกอุปาทานยึดไว้จึงเรียกขันเฉยๆไม่ได้เพราะเป็นขันที่มีเจ้าของไม่ใช่วิสุทธิขันเหมือนอย่างขันพระอรนอุปาทานอันหนึ่งขันอันหนึ่ง แต่พระอุขันของเราถูกอุปาทานยึดอุปาทานถือเป็นเจ้าของจึงเรียกอุปาทานอขนอ่ะทีนี้เรามาพูดว่าพูดต่อไปอธิบายพุทธพจน์ต่อไปว่าที่ตลาสว่ากําหนดรู้อุปาทานเรามานึกถึงข้อเท็จจริงว่าเราหรือใครก็ตามที่ทำวิปัสสนาได้โลกยีานถึงได้โลกุตละยานเนี่ย กำหนดรู้ขันหรือกำหนดรู้กิเลสที่เกิดกับขันตอบว่ารู้ทั้งสองอย่างครับรู้ทั้งสองอย่างทั้งที่เราเนี่ยกำหนดขันอยู่นะแต่ถามว่าเราเรารู้หน้าตากิเลสรู้เต่าตากิเลสที่เกิดกับขันด้วยหรือไม่และคําว่ารู้ ขันซึ่งหมายถึงรู้เท่าทานกิเลสคือรู้อุปาทานเนี่ยรู้ของท่านไม่ใช่รู้ศักแต่ว่ารู้รู้ของท่านคือละนั่นเองละอุปาทานและจะเรียกว่าละอุปาทานหรือเรียกว่าละขันความกระทบถึงกันอย่างที่พูดมาในสูตรต้นต้นต้องค่อยๆ ย, ย้ำอีกทีว่า ตรัสว่าละขันเมื่อกี้คือละอะไรครับละอุปาทานในขันใช่ไหมละด้วยความรู้ความรู้นั้นเกิดพลังละเป็นความละสิ่งที่ควรละคือความติดในขันก็คือละขันวางขันนี่และพูดว่าละอุปาทาน มันก็หมายถึงล่าขันด้วยก็คือไอ้กิเลสกับนามรูปเนี่ยเขาเขาเป็นฝาแฝกกันอยู่นามรูปเป็นอาหารของกิเลสเราทำวิปัสสนาเราก็เอาปัญญาเข้าไปรู้อีกมุมหนึ่งยิงรู้เจาะไปในนามรูปชัดลึกถูกต้องไอ้ตัณหาก็ถูกคลายใช่ไม จนรู้หมดกัญหาหลุดอุปาทานหลุดจากการไปรู้นามรูปเนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้นั่นเป็นเครื่องละความรู้เนี่ยเป็นเครื่องละละอุปาทานก็เรียกได้ละขันก็เรียกได้เพราะขันมันถูกยึดไว้ด้วยอุปาทานละแล้วละทั้งสองอย่างเท่ากันเลยครับ กิเลสหลุดไปเท่าไหร่เราก็ปล่อยวางเท่านั้นเหมือนอย่างที่เราพูดเราตัดใจอะไรทั้งหลายในโลกนี้จะพูดว่าตัดตัดกิเลสของเราหรือตัดสิ่งนั้นปล่อยวางสิ่งนั้นมันถึงกันอันเดียวกันในทางกลไกลของสภาวะพระสูตรนี้ท่าน มาพูดเพ่งไปที่กิเลสรู้แล้วทาให้ละกิเลสซึ่งเป็นตัวถือขันก็เท่ากับปล่อยขันวางขันนั่นเองนั่นปัญญาเป็นตัวกําหนดรู้นี่ก็ให้จําไว้เชครับผมก็ย้ําแล้วย้าอีกเนี่ยว่าเรารู้นามรูปเนี่ยอย่าไปนึกว่ารู้แค่นามแค่รูปต้องรู้มันรู้มาถึงกิเลสด้วยนะครับและทุกคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วรู้แล้วก็ละแล้วก็ละทั้งคู่เลยทั้งอารมณ์ทั้งเพราะฉะนั้นไอ้นามรูปเนี่ยก็คือจักรสูและรูปที่กล่าวถึงในที่นี้รวมทั้งผัสสะเวทนาที่เกิดกับจากสูและรูปรวมทั้งหูจมูกลิ้นกายเลยไปถึงใจด้วยที่โดยปกติเราถือมั่นอยู่ด้วยอุปาทาน เพราะไม่ได้อบรมปัญญาเมื่ออบรมปัญญาก็ทำให้อุปาทานปล่อยขันก็เกิดการปล่อยวางขึ้นตรงนี้นะจึงอยากจะเอาพสูตรที่ไม่ได้แจกมาร้องอ่านให้ฟังสูตรเหล่านี้จะรับกันหมดเป็นตัวอธิบายกันอยู่ในตัวเองหมดเลย เรื่องการละด้วยวิธีการปฏิบัติเนี่ยทำให้บุคคลนั้นสามารถละได้ถึงอนุสัยกิเลส น, นี่ก็ฟังไว้เป็นสิริมงคลแก่หูก็ดีหรือจะถือว่าเป็นเครื่องประกอบสติปัญญาก็ดีลองฟังดูว่าท่านต ร, รัสกษุทั้งหลายที่เป็น ผู้ปฏิบัติธรรมว่าพระกลุ่มนั้นมาถามากลุ่มนั้นถามว่าข้าแต่พระองค์บูจาเริญเมื่อบุคคลรู้อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอนตรัสว่าดูก่อนภิสู้งหลายเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุโสตากานาชิวหากายะมโน เสียงกลิ่นรสโภพภะธำมมาลมเวทนาที่อาศัยเกิดทางทวารเหล่านั้นสัมผัสที่อาศัยเกิดทางทางทวารเหล่านั้นนี่ผมกล่าวโดยรวบย่อดให้ฟังทีนี้ที่ท่านว่ารู้คื อ, อรู้ยังไงรู้นามรูปที่แจงโดยอิจตนะโดยพิสดารเนี่ยโดยความเป็นอนิจจงโดยความเป็นทุกขงังโดยความเป็นอนัตตาอนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอน ดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แหละอนุสัยจึงถึงความเพื่อถอนคําว่าอนุสัยคือกิเลสที่มันฝังจิตฝังใจอยู่กับอายตนะกับนามกลุ่มของเราเนี่ยต้องเอาวิปัสสนาเข้าไปรู้ไปเห็นจึงจะถอนจึงจะละได้เพราะปกติเนี่ยเราสั่งสมไม่ไม่ได้หรือไม่ได้ถอนอย่างนี้ อ่าอันนี้ก็ให้ให้ดูประกอบพิสูจน์หนึ่งเพราะอ่านให้ฟังนะท่านตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าอัศาธาในโลกจกไม่มีแล้วไซสัตว์ตั้งหลายจะไม่ติดใจในโลกเพราะเหตุที่อัศอัาธาในโลกมีอยู่เพราะเหตุนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในโลกโลกหมายถึงนามลูก และอาสาธะคือความติดใจนะทีนี้มาฟังท่านอา ธ, าธิบายว่าท่านท่านว่าต่อไปถึงว่าถ้าอาทินวะหมายถึงโทษในโลกจักไม่มีแล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็จกไม่พึงเบื่อหน่ายในโลกเพราะเหตุที่อาทินวะในโลกมีอยู่เพราะเหตุนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในโลก ผมพูดถึงสองอย่างนี้ก่อนว่าไอ้โลกเนี่ยก็คือนามรูปอัศาธาคือความเข้าไปยินดีด้วยทัศนคติที่ตัวมองเห็นอย่างวิปลาสต่อนามรูปก็เกิดอัศาธาเกิดความยินดีติดใจในนามรูปทีนี้ไอ้นามรูปเนี่ยในความเป็นจริงของมันเนี่ยมันมีโทษโทษในสูตรอื่นบอกก็ได้แก่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความแปรปลวนอันนั้นแหละเป็นโทษ มันมีอยู่ผู้ปฏิบัติเข้าไปเห็นในมุมโทษก็เกิดความเบื่อหน่ายคือในท่านพูดถึงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพระโยคาวจรก็เกิดความเบื่อหน่ายตรงนี้เมื่อบรเบื่อหน่ายก็หลุดถอนออกไปได้เอาเรากลับมาที่เดิมก่อนกลับมาที่เดิมคือในสูตรที่พูดค้างไว้เมื่อตะกี้นะ ให้ดูเนื้อความตอนท้ายเลยนะหน้าสี่ของชุดสิบสองเนี่ยผมกำลังจะอธิบายต่อไปอีกนิดหนึ่งที่ท่านตรัสว่าอะดิยสาวกผู้ได้สลับสดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในใจทั้งในธรรมอารมณ์ทั้งในมโนวิญญาณทั้งในมโนสัมผัสทั้งในเวทนาอันนี้เป็นการกล่าวอายตนาสุดท้าย เป็นที่สรุปจบก็คือนามรูปจะเป็นในยตนาไหนก็แล้วแต่เมื่อไปรู้เห็นอย่างนั้นแล้วย่อมเบื่อหน่ายอันนี้เป็นการกล่าวโดยลําดับของวิปัสสนาญาณตรงนี้หมายถึงวิปัสสนาญาณ น, นะะเบื่อหน่ายที่ไปเห็นนามเห็นรูปตามความเป็นจริงไอ้อุปาทานมันไม่เบื่อวิปัสสนาเห็นแล้วก็ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่เห็นคุณค่าของนามรูปเหมือนอุปาทานมันเห็นนี่เมื่อเบื่อหน่าย เมื่อคำว่าเมื่อเบอื่อหน่ายคือเมื่อได้วิปัชนายานย่อมคลายกำหนัดคลายกำหนัดเป็นชื่อของมรรคยานหรือโลกุตระวิปฒนานั่นเองเพราะคลายกำหนัดคือเพราะได้มรรคยานย่อมหลุดพ้นผลลยานเธอย่อมทราบชัดว่าเรากำหนดรู้หลุดพ้นอุปาทาน คำว่าย่อมทราบชัดเป็นชื่อของปัจเจเวกนายานและเนื่องจากว่าท่านแสดงเรื่องการละกิเลสด้วยตั้งที่อุปาทานเป็นหลักท่านจึงบอกว่าปัจเจเวกนายานก็รู้การหลุดพ้นจากอุปาทานหลุดพ้นจากการนี้ตรงนี้อธิบายได้เยอะทั้งตัวอุปราทานคือกิเลสที่ละแล้วก็อารมณ์ของกิเลสแล้วก็ยานที่เป็นเครื่องละ ต่างๆอย่างที่ปัจจเวคขณะยานอธิบายสูตรนี้เป็นการกล่าวเป็นลำดับตั้งแต่วิปัสนาญาณชั้นต้นๆขึ้นไปจนทั่งถึงปัจจเวคขณะยานเลยทีเดียวเอานะครับเราผ่านเอกสารชุดที่หนึ่งไปผ่านไปสองประเด็นแล้วเหลืออีก สองเอกสารชุดสิบสามประเด็นแรกเป็นการประมวลพระสูตรที่แสดงปริญญาโดยความทิ้นทุกอันนี้ก็หมายความว่าอัตโนมัติของผลได้จากธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วแค่รู้จบแค่นั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติรู้ละละความชั่วจบแค่นั้นยังมีอัางอื่นอีก อะไรคืออย่างอื่นละความชั่วแล้วอะไรคืออย่างอื่นคือละความทุกข์ดับทุกข์พ้นทุกข์ประสบสุขไม่ต้องพูดเพราะมั น, ม, นมันก็คือประสบสุขนั่นเองพ้นทุกข์แล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมหมดแล้วไม่มีแล้วมันก็ทุกข์กับความดับทุกข์กับหมดแล้วอันนี้ก็ได้เป็นชั้นๆไปนะ สูงสุดก็คืออนุปาทิเสสนิพานไปเลยแต่เรามานึกถึงอย่างหลักธรรมดาอันหนึ่งว่าอย่างเราเราท่านท่า น, นปฏิบัติอย่างธรรมดาเนี่ยถ้าคนได้ปัญญาในปฏิบัติธรรมแล้วได้ความรู้จักนามลูกนี่เรากำลังพูดสงวนในเรื่องวิปัสสนากิเลสลดแล้วก็ความสุขเพิ่มขึ้นความทุกข์ลดลงจริงใช่ไม่ใช่ ใช่ไหมจริงเลยครับอันนี้แค่ธรรมดาตื่นตื่นเนี่ยตื่นตื่นหมายถึงอย่างเราเราได้ธรรมดาสมบัตได้เนี่ยแล้วก็เลยทําให้เราเนี่ยมองเห็นเลยต่อไปว่าถ้าปัญญาเรามากขึ้นกิเลสต้องถูกละดีขึ้นและความสุขมากขึ้นความทุกข์ลดลงยิ่งไปกว่านี้ยิ่งขึ้นจนถึงเป็นอรหันต์เนี่ยอยู่จบพรหมจรรย์ทุกหมดสิ้นสุข ถึงความสมบูรณ์เต็มร้อยจริงๆเราก็ดูสูตรต่างๆไปโดยลำดับประเด็นแรกเนี่ยมีอยู่สองสูตรนะรสูตรแรกท่านเรียกว่าปริชานะสูตรคำว่าปริชานะเนี่ยเป็นไวยพจน์ของคำว่าปริญญาน่แหละครับเพราะชานะกับปัญญากับยา อันยาอันเดียวกันแ่ะบางทีก็แปลว่ารู้ชัดในแปลอย่างเดียวกันโดยส่วนใหญ่ในพระไติฎกก็มักจะแปลอย่างเดียวกันก็กได้ น, นั้นปริาญาคือความกำหนดรู้ในแปลอย่างปริญญาตรัสว่าดูก่อนวิสูตรทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่ไหน่ายไม่ละ ซึ่งรูปไม่เป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกขบุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่นายไม่ละซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งวังการซึ่งวิญญาณเป็นผู้ไม่ควรเพื่อสิ้นทุกอในท่านพูดในทางปฏิเสธอันนี้เป็นคําบอกเราเลยเจยวครับว่า ถ้าเราลักที่จะพ้นทุกเนี่ยไม่รู้เรื่องพวกนี้ไม่ได้ไม่ทำเพื่อให้รู้ก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นที่ไม่ทำให้รู้อย่างนี้ก็พ้นทุก์ไม่ได้เป็นคำบอกอย่างสงวนวิธีเป็นของเฉพาะในปฏิปทาในศาสนาพุทธไวท้ทีเดียวนั่นคําว่าบุคคลเมื่อไม่รู้ยิ่ง คือไม่ได้ยาตะปริญญาไม่กําหนดรู้ไม่ได้เรียนะปริญญาแล้วก็ไม่นายไม่นายคือมักคือแล้วก็ไม่ละเนี่ยคือปาหานะปริญญาในรูปอันนี้ท่านพูดถึงอารมณ์ไอ้คำว่าละเม่กีว่าแล้วว่าละพูดว่าละรูปก็คือละกิเลสในรูปขั้นโลกิยะก็ละไม่เด็ดขาดโลกิยาวิปัสสนาญาโลกุตระวิปัสสนาญาก็ละเด็ดขาด ไม่ควรเพื่อสิ้นทุกข์ทุกข์ในระดับนั้นจนถึงสูงสุดก็คือทุกข์จากสังสารวัฏนี่เป็นการประกาศว่าวิธีนี้ปัญญานี้เป็นทางชนะทุกข์ได้อย่างแท้จริงตรับในทางรับว่าก็เมื่อบุคคลรู้ยิ่งปริชาณนะเมื่อกำหนดรู้เมื่อไหน เมื่อละซึ่งรูปจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อรู้ยิ่งเมื่อกำหนดรู้เมื่อไหนเมื่อละซึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกข์นี่เป็นการประกาศถึงผลได้อย่างสิ้นเชิงอย่างที่เป็นยอดปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายก็คือความพ้นทุกข์ ความประสบสุขนั่นเองสิ้นทุกข์ก็มีสุขในความหมายแท้จริงแล้วเป็นอันเดียวกันไม่ได้แยกแม้ในขั้นโลกียะก็เหมือนกันแม้ในขั้นโลกุตละก็เหมือนกันคนเป็นโรคอยากหายอยากโรค ก, ก็คืออยากมีความสุขจากความไม่มีโลกนั่นแหละคนยากจนก็เช่นเดียวกันพัดพากจากสิ่งที่รักก็เช่นเดียวกันเราไปดูสูตรที่สอง ปฐมปริช า, าตรงนี้เกิดในในที่นั้นเกิดมีสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะกำรัดนี้เป็นสูตรที่หนึ่งปริชานณสูตรแรกนะมาคนละที่กันคนละเล่มกันตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ที่ยังไม่รู้ยิ่งไม่กําหนดรู้ไม่คลายกําหนัดยังไม่ละซึ่งสิ่งทั้งปวงนี่แจ้งกรรมสิ่งทั้งปวงแล้ว ยังเป็นผู้ไม่ควรเพื่อสิ้นทุกข์ก็สิ่งทั้งปวงคืออะไรนี่ก็ทรงแสดงสิ่งทั้งปวงในสูตรก่อนๆสิ่งทั้งปวงคือขันห้าแต่ในสูตรนี้กลายเป็นอายตนาสิบสองเรียกว่าสิ่งทั้งปวงก็คือสัมภาระของกิเลสเป็นสิ่งทั้งปวงก็แสดงตั้งแต่จักษุไปผ่านไปถึงหูจนกระทั่งถึงมนโน แล้วก็พูดในทางรับว่าส่วนบุคคลผู้รู้ยิ่งกำหนดรู้ใครกำหนดได้ละได้ซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ควรเพื่อสิ้นทุกก็สิ่งทั้งปวงคืออะไรคืออันเดียวกันอันนี้ก็หมายความว่าไม่รู้สิ่งเดียวกันก็รู้สิ่งเดียวกันไอไม่รู้เนี่ยไม่ต้องบอกแล้วไม่ไม่รู้อยู่แล้วและไอสิ่งสิ่งทั้งปวงเรามีอยู่แล้วมีกันอยู่ทุกคนแล้ว แล้วก็ความไม่รู้นั้นเรามีอยู่เดิมแต่ว่าไอ้ความไม่รู้นั้นทําให้เราไม่พ้นทุกมีทุกไม่ประสบสุขแล้วก็ให้รู้สิ่งทั้งปวงนั้นคือทําความไม่รู้ให้เป็นความรู้ก็จะพ้นจากทุกขโดยตามสมควรแก่ความรู้นั้นนั้นที่บุคคลนั้นปรุง น, นี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่เรา ว่ากันไว้สําหรับประเด็ดนนี้พักไว้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยประเด็นสุดท้ายเรื่องการรู้อริยศาสี่อย่างไรเนี่ยนี่ก็เป็นหลักฐานเลยเพราะว่าผมได้พูดเป็นลักษณะอธิบายมาเองกัดอัตถงฐามพอสมควรมาแล้วนี่เป็นหลักฐานในชั้นพระไตรปิฎกที่เป็นพระสูตรนะะว่าสอดคลองกับที่ผมว่าอันนี้ที่ผมจะว่าให้ฟังหรือจะกล่าวแทรกอาประกอบให้ฟังเนี่ยคือ อยากจะเล่าถึงเรื่องประวัติหรือประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของพระในสมัยพุทธกาลอ า, า, อ า, อาทั้งสองรูปอพระชายรูปพระหญิงลูปทั้งสองูปนี้โลดผลทั้งคู่นะโลดผลหมายาว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทั้งคู่สำหรับองค์แรกเนี่ยครับเป็นพระชาย บวดตั้งแต่เนตชื่อวาพรละอุตระเถระบวดตั้งเอเนตแล้วเป็นลูกศิษย์พระสรีบุตรคือเดิมเนี่ยเป็นคนเกิดในสกุพลพรามมหาศาลคือเป็นพรามที่ร่ำรวยแล้วเป็นคนที่เฉลียวฉลาดบุค ล, ลิกดีก็เมื่อจเจริญเติบโตขึ้นก็ได้รำเรียนตาม ทําเนียมของพรามณนั่งหลายแหละเรียนจนกระทั่งได้รับความสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็วอยู่ในวัยหนุ่มจริงๆก็ยังไม่เต็มสีส่สิเนื่องจากว่าเป็นคนที่เกิดในสกุลสูงมีการศึกษาดีบุคลิกดีอยู่ในแคว้นมคดตอนนั้นก็มีพราม์คนหนึ่งเป็น เซนาบอดีเอ่ยชื่อเนี่ยเราจะเคยได้ยินชื่อกันคือวสัส ก, การับราม